ก็ให้มาพูดเรื่องอนิสง์ของการทําบุญแง่ต่างๆชาวาพุทธเราเนี่ยจะคุ้นกับเรื่องการทําบุญไงทาบุญทําทานแต่บางครั้งถ้าทําให้เป็นอนิสง์มันก็ได้ไม่มากอย่างบุญกียรตวัตถุสิบเนี่ยมันก็มีบุญสําเร็จด้วยการให้ทานบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสําเร็จด้วยการภาวนาบุญสําเร็จด้วยการประพฤติอนอทนทร์สัมตนบุญสําเร็จด้วยการช่วยเหลือขนไกว บุญสำเร็จด้วยการแผ่เมตตาแบ่งปันความดีบุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญบุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรมบุญสําเร็จด้วยการทําความเหน็จตรงหรือถูกต้องบุญเหล่านี้เรามาวัดเราสามารถทําบุญได้ทุกข้อเลยอย่างข้อหนึ่งบุญสําเร็จด้วยการให้ทานอย่างชาวพุทธเราก็ทําบุญ ตักบาตรอยู่แล้วอยู่เป็นประจำแต่บางครั้งเราทําบุญเราก็หวังอธิสงที่มากเกินไปเช่นตักบาตรก็ขอให้สุหวยขอให้เกิดเป็นเทวดาให้รวยยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นการค้ากับอะไรเกินควรเราสังเกตชาวพุทธจะใส่บาตรมากวันที่หวยออกแต่วันที่หวยไม่ออกไม่เคยใส่หรอกคือหวังผลประโยชน์ตั้งแต่แรกแล้วบางครั้งตักบาตร ถวายสังฆทานแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก่ช่วยมูลนิธิต่างๆขอทานเดบุที่ยาก้ร้ตามชนบทหรือผู้ผประสบอุทกภาายัยเช่นไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวเหล่านี้เราช่วยได้ใจจริงโดยไม่ปรารถนาผลตอบแทนเพื่อให้เขามีความสุขจุดประสงค์การทำบุญเนี่ยจริงๆก็คือการการสละออกการลดความเห็นแก่ตัว ถ้าใครทําบุญโดยไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยก็จะได้บุญมากแต่ถ้าเห็นแก่ตัวมันเจือโบฏิกิเลสการทําบุญทําทานก็ได้บุญน้อยจุดประสงค์จริงก็คือการสละกกว่าเห็นแก่ตัวอันนี้คือบุญข้อที่หนึ่งการให้ทานที่ถูกต้องต่อมาบุญข้อที่สองคือการรักษาศีลบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลการรักษาศีนก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยตั้งแต่ศีนห้า ศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบเจ็ดแต่ถ้าเรารักษาไม่เป็นเราก็จะมีการเปรียบเทียบยกตนข่มคนอื่นว่าคนอื่นศีลไม่ดีกว่าเราเราศีลดีกว่าเราบริสุทธิ์กว่าอันนี้ผิดวัตถุประสงค์ของการรักษาศีลการรักษาศีลถูกต้องคือการคๆๆวบคุมกายวายิชา ใ, ให้เรียบร้อยคือเพื่อเพื่อเป็นแบบปัจจัยให้ทา บ, บุญข้อต่อไปเช่นบุญข้อที่สาม คุณสำเร็จในการภาวนาการภาวนาเนี่ยก็ต้องอาศัยศีลเหมือนกันถ้าเราทําตัวไม่ดีเนี่ยหรือทําจิตใจที่ไม่ดีบิดเบียนคนอื่นบิดเบียนสัตว์การภาวน า, า, าก็ลำบากเพราะต้องอาศัยจิตที่อ่อนโยนอ่อนน้อมอย่างอยว่ที่ปู่กทองก็ภาวนาในแนวเจรสติแนวขึ้นไหวของหลวงพ่อเทียนก็จะมีครูบาอาจารย์มาสอนทุกวันพวกโยมก็ไม่ได้แบกกันอยู่อันนี้จตดที่ส่งเขามันเนี่ยก็คือ ทำให้เราเนี่ยไม่ตกไปท่านของความคิดปรุงแต่งถ้าเราไม่เจอสติเราก็อยู่กับความหลงหลงอยู่ในอำ น, นาจความคิดอะ่ะความคิดสั่งให้ทําอะไรเราก็ไปทําสั่งให้ไปดูบุหรี่ถ้าเราไม่สติเราก็ดูดสา่ให้ไปเล่เหล้าเราก็ไปสั่งให้ไปเล่นการพานาันเราก็ไปหรือไปหรือไปทะเลาะบอกแว้คนอื่นหรือทําสิ่งที่ไม่ดีความคิดสั่งไปหมดแล้วอย่างที่โยมมาวัดมาทําบุญก็เพราะความคิดสั่งเหมือนกันความคิดสั่งให้มาทําความดีอันนี้ ก็มีนิสงบางคนเราเนี่ยจะมีทิสายต่างกันพอมีทิสัยต่างกันเนี่ยความคิดความเห็นก็ต่างกันใครใครสั่งสมความคิดคดีคนนั้นก็ไปหาที่ดีแหละใครสั่งสมความคิดไม่ดีมันก็พาไปหาที่ไม่ดีไปหาคุกหาตารางหาความทุกข์ความเดือดร้อนเราจะไม่ตรงไปท่าความคิดได้เราก็ต้องรู้สึกตัวเวลาปรุงแต่งอะไรถ้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยเราก็หลุดจากอารมณ์นั้นได้ ถ้าเราไม่รู้สึกตัวแล้วก็ตกไปท่าขออารมณ์ไปอารมณ์หลักๆส่วนใหญ่ก็มีเรื่องกินเรื่องการแล้วก็เรื่องเกียรติถ้าเราไม่ตกท่าเขาบานเนี่ยชีวิตเราก็มีความสุขขึ้นเราก็สามารถออกจากกองทุกได้ก็ต้องมาปฏิบัติธรรมแหละมาภาวนาสร้างความรู้สึกตัวต่อไปอันนี้เป็นอนิสงศ์ของการภาวนาต่อมาอนิสงศ์ของการทำบุญค่อยสี่คือประพฤต อ, อ่อนน้อมสมตนบุญขคุณในคนไม่รู้จะเป็นส่วนใหญ่ประพฤทธ อ, อ่อนน้อมสมตนในที่นี้หมายถึงเคารพผู้ใหญ่ที่อายุเยอะกว่าถ้าเป็นพระก็เคารพครูบาอาจารย์ที่เป็นสามากกว่าเชื่อฟังท่านไม่ไปทะเลาะโต้เถียงเชื่อในคุระบุธวัยวุตรถ้าเป็นโยมก็เชื่อเคารพคนที่สูงอายุไม่ไปพูดจาล่วงเกินท่าน คนที่ไม่อ่อนน้อมสัมตนเนี่ยจะเป็นคนที่เยื่อยิงไปไหนมักจะเอาตัวไม่รอดต่อให้เก่งขนาดไหนบางทีไปทํางานตามบริษัทก็โดนเขาไล่ออกก็มีหรืออนาคตไม่รุ่มก็มีแต่ละคนเพระคืออ่อนน้อมสัมตทลเนี่ยไปอยู่ไหนใครก็รักใครใคก็อยากให้อยู่ให้อยู่ด้วยเอาตัวรอดอันนี้คือต่างกันนะคนระหว่างคนที่อ่อนน้อมคนไม่ไม่อ่อนน้อม อันนี้อันนี้คืออั น, นิี่ส่งของการไปคิดเอาน้อทำตนต่อมาบุญข้อที่ห้าอนที่ส่งการช่วยเหลือขนปวายวยยามวชิมบุญข้อดีค่อนข้างจะกว้างอยู่อย่างพวกโยมที่อยู่วัดเนี่ยก็สามารถทําได้ตลอดเวลาเลยเห็นใบไม้เกือนวัดก็ช่วนฟาดช่วยกันล้างจาน ช่วยเก็บขยะเห็นพวกกิ่งไม้ท่อนไม้หล่นเราก็เก็บให้สะอาดห้องน้ําสกรปรกเราก็ช่วยล้างคนเห็นเขาก็มีความสุขแต่เราทําด้วยจิตอาสานะถ้าเราทําด้วยใครบังคับให้ทาเนี่ยบงังคับจิตมันก็ไม่ได้ที่ส่งเท่าไหร่อย่างเราเห็นต้นไม้เนี่ยช่วงนี้หน้าแรงต้นไม้เขี่ยวเราเห็นเราก็เอาน้ำไปรดน้ำให้หน่อย ต้นไม้ก็มีชีวิตสดชื่นขึ้นเราเห็นเราก็สบายใจสบายตาถ้าคนไม่ทำบุญไม่เป็นก็จะมองข้ามไปเออ้ยต้องสั่งนะถึงจะทำทำไมสั่งไม่ทำจิตอาสาทำบุญเพื่อประโยชน์ตนเองประโยชน์คนอื่นเนี่ยไม่ต้องมีใครบอกมันทำได้เองเลยอย่างมาทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็มาด้วยฝับเต็มใจเพราะถือว่ามาเข้าเฝ้าพระดดเจ้า มาเสริเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็มาฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญ า, ถ, าถ้าทาบ่อยๆเป็นนิสัยเนี่ยจิตใจเราก็มีนิสงความคิดที่ไม่ไม่ดีต่างๆมันก็ไม่เข้ามาครอบงมเราชีวิตเราก็เจอแต่สิ่งที่รุ่งเรืองเจริญแล้วบุญข้อดีใหม่ถึงความสามัคคีด้วยความสามัคคีก็หมู่คณะร่วมลงอุโบสถพร้อมเพียงกัน ลงปฏิโมกหรือช่วยเหลือกิจกรรมของวัดเวลาทําอะไรก็พร้อมเพียงกันทําพร้อมเพียงกันเลิกคือถ้าทําอย่างเนี้ฝวาสามัคคีบุคคลนะก็ทําให้บุคคลนั้นเจริญใครเห็นใครก็กสรรเสริญถ้าเป็นชาวบ้านหมู่บ้านที่สามัคคีกันพ ร, พร้อมเพียงพร้อมใจกันร่วมแรงร่วมใจการทํางานเนี่ยโดยไม่เห็นกันตัวที่นั่นก็เจริญ แต่ที่ใดมีความขัดแย้งไม่สามาัคคีเกี่ยงกันทำงานเอาหน้าเอาตากันเนี่ยที่นั่นก็ไม่เจริญมีตตกต่ำเห็นใครได้ดีก็ไม่ได้การช่วยเหลือขนขวายถ้าทำจากใจจริงอู๋ทำได้เยอะเลยช่วยนูน่นช่วยนี่บางทีก็ช่วยปูอสนะช่วยเก็บเห็นของสงตกอยู่ฝนตกเอาเก็บเข้าที่ละอันนี้ก็ทำให้ของแล้วไม่เสียเห็น กุติเจ้งอะไรพังเนี่ยน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างเราก็ช่วยทำพอทำเสร็จเราก็ได้ประโยชน์มีความสุขคนที่ก็ได้ใช้อานิสงส์จากที่เราทําด้วยเขาเรียกว่าความดีต่อความดีบุญต่อบุญอันนี้คืออานิสงส์ของการช่วยเหลือขนวกวต่อมาบุญอา น, นิสงส์ข้อที่หก การแผ่เมตตาการแบ่งปันความดีการแผ่เมตตาให้บรรพุรุษที่ลงลับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติโกโหติกาอันนี้ก็เป็นหมายถึงว่าตัวผู้ผู้แผ่เนี่ยก็เป็นคนที่กระตันยูนะรู้จักบุญคุณของท่านแผ่ให้ท่านแบบถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไป แล้วก็แฝงให้เจ้ากรรมในเวรต่างๆเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เราร่วมเกินใครไว้นะดีชาติหรือปัจจุบันชาติถ้าเราแผงไม่ตาบ่อยๆมันก็ได้ที่สงส์เผื่อเจ้ากรรมในเวรให้อโหสิกรรมให้อาภัยก็ได้หรือชักชวนคนขาทําความดีเพราะำำบางทีการทําความดีเี่ยถ้าเราไม่บอกใคร การทำดีกันที่สงน้อยแต่ถ้าบอกคนนะเอา้าไปลุ่มทำบู ด, ด้วยกันไปทาบูดตกบาทไปลุช่วยงานวัดด้วยกันเนี่ยคนก็มากันเยอะแยะอันที่สองก็มากแล้วเพราะคนมากหลายคนดีก่บคนน้อยอย่างทุกที่แหละที่มีคนเยอะร่วมกัสบสามัคคีมากกันมากๆเนี่ยก็เป็นบุญต่อบุญความดีต่อความดีสบาย เมื่อก่อนท้าศ ก, กเนี่ยก็ตอนสมัยที่เป็นที่ยังเป็นเป็นมนุษย์อยู่อะ่ะท่านก็ทำความดีไว้เยอะท่านก็ตอนแรกท่านทำคนเดียวนะฝาดฝาดใบไม้ทำที่ให้เรียบร้อยสำหรับพักผ่อนทากต้นไม้ต่างๆตอนหลังก็คนมาเห็นเออที่นี่สาดร่มลื่นก็พักท่านก็ไปทำที่ใหม่อีก เห็นถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบอ่อท่านก็ขุดดินมาขบมาถมออาตอนหลังคนก็เห็นคนก็มาช่วยกันเยอะขึ้นจนกลายเป็นผู้นำเลยทำให้คนเนี่ยมาช่วยกันทำความดีคนเห็นเขาก็ทำตามไม่่าจะเป็นสร้างศาลาสร้างที่พักหรือเป็นหัวหน้าให้คนมปรักษาศีลหลังจากตายไป ตัวของาศาสกะสมัยเป็นมนุษย์อ่ะก็ได้เกิดพระอินทร์พร้อมทั้งบริวารที่ช่วยแล้วแหละอันนี้คือที่สองของการแบ่งบุญแบ่งแบ่งแบ่งปันกับธรรมดีซึ่งมีนิสสงมากต่อมาไอ้นนส่งองบุญข้อที่ข้อที่ข้อที่เจ็อ ด, จ อ, ดจอนุมโมทนาบุญ บุญสำเร็จด้วยการรู้โบทนาบุญข้อนี้ทําง่ายทุกคนทําได้หมดโดยไม่ต้องใช้เงิ น, เ ห, นเห็นใครทำบําบีแล้วก็สาธุเห็นใครตักบาตรแล้วก็สาธุเห็นใครถวายสังฆทานแล้วก็สาธุเห็นใครช่วยฝาดวัดช่วยทําอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์อ่ะเราก็สาธุด้วยเราก็ได้บุญด้วย น, นี่ทําง่าย พอเราสาธุบ่อยๆจิตเราก็อ่อนโยนปฏิบัติทํามง่ายเลยนะจิตใจคนที่สาธุเนี่ยมักจะไม่ค่อยทุกข์หรอกเพราะเราคิดแต่เรื่องดีๆต่างกับคนที่เอ้ยไอ้ น, นี่ทําบุญเอาหน้าหรือเปล่าไอ้ น, นี่สร้างภาพไอ้ น, นี่ส่งข้ามกันนะคืออ้ น, นี่ส่งบุญคดีทําง่ายมัน้องใช้เงินให้เราเห็นค่เราดีเราก็สาธุเราก็ได้บุญด้วยนะ ต่อมาอนิสงขอบุญข้อที่8บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมอย่างพวกโยมตั้งใจฟังอานมาพูดข่ะทโยมก็ได้บุญได้อนิสงทันทีละอย่างข้อหนึ่งผู้ฟังยอมได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนข้อที่สองถ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็ทำให้เข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นข้อที่สามบรรเทาความสงสยัย ข้อที่สี่ทให้มีความเห็นถูกต้องข้อที่ห้าจิตขาดที่ตั้งใจฟังก็ทําให้จิตผองใสอันนี้คือที่สงทันทีเลยแต่ถ้าโยมไม่ตั้งใจฟังอ่านมาพูดธรรมะโยมก็ไปคุยกันอะยกันอันนี้ไอ้สงก็ข้อนี้ก็ไม่มีเพราะว่าการฟังธรรมเนี่ยผู้ฟังกับผู้พูดต้องร่วมมือกันต่อกันติดบางทีผู้พูดพูดไป เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจคนฟังเลยคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องคนดีพูดแล้วก็สูงลิฟเลยคนฟังฟังไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่สนใจฟังนั่งหลับบ้างอะไรบ้างอันนี้การพูดธรรมะก็ไม่เกิดผลแต่ถ้าเกิดผู้พูดกับผู้ฟังเนี่ยตอกันติดหมายถึงว่าเราเหมือนกับเข้าเรื่องกันได้อันนั้นอ่ะการพูดก็เกิดประโยชน์การฟังก็เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ตัประโยชน์ท่านอันนี้คือนิสงขอการฟังธรรมแล้วมานิศสง ข้อที่เก้าบุญสำเร็จด้วยการแสงธรรมการแสงธรรมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระที่แสงได้พวกโยมแม่ชีพอออกไม่ออกพูดธรรมะได้หมดเวลาคนเขามีความทุกข์มากผิดหวังอกหักอยากจะฆ่าตัวตายเราไปพูดด้วยเขาเนี่ย เห็นทาวสว่างเลือกค่าตัวตายได้อันนี้มีนิสโสมากนะทําให้เข้ามีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปปลอบให้กําลังใจหรือคนที่ ท, ท้อแท้ตกงานหรือชีวิตหาแล้ออกไม่ได้เดิรเราก็บอกให้เข้าไปหาครูบาอาจารย์หรือไปเข้าวัดหรือไปเรียนเรียนธรรมะจากหนังสือเล่มที่ดีๆที่เราเคยอ่านน่ะแนะนําครูบาอาจารย์ชี้แนะหนังสือ ทําให้เขาได้ชีวิตมีทางออกอันนี้ก็กเป็นที่สงหรือไม่ใช่แค่ชี้แนะหล้วเดียวแค่เรารับฟังอะ่ะสมมติมีคนที่เขาอยากพูดอยากรั บ, บายอะ่ะเครียดมากทุกมากอะ่ะเราทนฟังแล้วครึ่งเชั่วโมงโดยให้เรายอมทนนะไม่พูดนะให้เขาได้พูดมั่งอันนี้คือการแสดงธรรมนะการแสดงธรรมไม่ได้ไหมายความต้องพูดอย่างเดียวการฟังก็คือการแสดงธรรมให้เขาได้รั บ, บายปลดปล่อย พอได้ระบายแล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้นสมัยก่อนอาจารกยก์โผนทอบนุ่มเนี่ยตอนที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยจะมีคนมาเล่าเรื่องนู้เรื่องที่ให้ฟังบางคนก็ทุกข์มากมาระบายอาจารย์ท่านก็รับฟังจะหนีก็หนีไม่ได้แต่ท่านก็บอกมาว่าถ้านเป็นกระโถนก็รั่วใครพูดเลยมาท่านก็ให้กำลังใจแล้วท่านก็นไม่เก็บขยะเอาไว้เพราะอารมณ์ที่โยมก็ว่าพูด หรืคนที่มาหาเนี่ยส่วนมากเอาขยามให้กันแหละถ้ารับไม่เป็นก็เราก็ต้องปรุงแต่งไปกับอารมณ์นั้นด้วยถ้าเป็นถังขยะ ก, ก้รั่วมันก็ไม่มีปัญหารับได้เขาจะพูดอะไรก็พูดไปคนฟังก็ไม่ติดอารมณ์ด้วยอันนี้ยเป็นที่ส่งของการแสงธรรมต่อมาอที่ส่งข้อที่สิบข้อสุดท้ายบูย๊สาเป ร, รียดด้วยการท่ายคาเห็นให้ถูกต้อง หรือความเห็นตรงความเห็นตรงนี่ค่อนดีกว้างขวางนะเพราะคนเราบุรุชนเนี่ยบางคนก็จะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกไม่เชื่อเรื่องนิพพานบางคนก็เชื่อว่าตายแล้วศูนก็มีโลกอยู่ในวุ่นวายทุกวันนี้ใครมือยาวสาวได้สาวเอาคนเลือกโกงกันคอรับชั้นกันเพราะไม่เชื่อโลกหน้ามี แต่ถ้าเราเชื่อว่าบุญมีบาปมีนกสวรรค์มีนิพพานมีทำดีไดดีทำชั่วได้ชั่วเราจะไม่กล้าทำชั่วเราจะทำแต่ความดีอะไรที่เป็นบุญเราก็เห็นแล้วรีบทำทันทีเลยอะไรที่เป็นชั่วก็หัดผ่อนไว้ก่อนอย่าพึ่งทำต่อรองไอ้สงของบุญต่างๆเนี่ยบุญเจ้าถูสิบเนี่ยก็สามารถทำบุญได้มากได้ประโยชน์ด้วยแต่การทำบุญอย่างเดียวไม่พอนะก็ต้องวางใจให้เป็นด้วย พอทําทบุญถ้าเกิดมีการยึดมั่นถือมั่นก็ทำให้ทุกข์้็แหละต้องแบกบุญฝังทุกข์จากโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเสร่เสียมีนิทาอันนี้ครอบงำจิตใจเราอยู่คนเราต้องไปเจอทุกคนฉะนั้นเวลาเราเจะกระทบกับโลกธรรมฝ่ายลบเนี่ยเราจะทาไงกระทบกับโล่ฝ่ายบวกเราจะทาไงยังมีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่ง ท่านอยู่ที่จังหวัดอุดรท่านเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเวลาเกิดอะไรขึ้นมาท่านก็มักอุทานว่าดีเนาะจนชาวบ้านหรือคนแถวนั้นขานนามเท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะเกิดอะไรขึ้นดีเนาะหมดมีวันหนึ่งลูกศิษย์ที่มโหนไปฉันเพจที่บ้านบ้านลูกศิษย์อยู่ไกลเผอิญวันนั้นลูกศิษย์รถเสีย ยังามาไม่ถึงนาทีหลวงพ่อก็คอยคอยแล้วคอยเล่ายังไม่มาหลวงพ่อก็อุทานว่าฉันอาหารของเราก็ดีเนาะก็นาอาหาร ท, ที่บิดบานแล้วแหละมาฉันตักไปได้สองสามช้อนลูกศิษย์ก็มามาถึงก็รีบเร่งให้ไปหลวงพ่อก็อุทานว่าไปฉันบ้านงานก็ดีเนะาะท่านก็ขึ้นรถไปขึ้นรถไปสักพักหนึ่งรถก็เสียอีก ไอ้คนขับก็ลงไปซ่อมหลวงพ่อก็อุทานว่าก็ดีเนาะได้ชมวิวข้างทางลูกศิษย์ซ่อมไปซ่อมมาไอ้รถมันก็ยังไม่ติดสุดท้ายต้องมาขอให้หลวงพ่อลงไปช่วยเข็นหลวงพ่อขนาดนั้นก็อายุมากแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะได้ออกกอลังกายเนาะถ้าก็ลงไปเข็นจนรถติดแล้พอรถติดก็วิงไปถึงบ้านงานเพลเลยเพลแล้ว เจ้าภาพก็นิบโอนหลวงพ่อขึ้นมาจูธมาอันทีหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะมาถึงได้ทำหน้าที่เลยเนาะระหว่างที่แสดงธรรมอยู่นั้นลูกศิษย์ก็นากาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนก็ดันไปหยิบเกลือใส่แทนน้ำตาลหลวงพ่อเฉ่ยไป่ได้คำนึงก็ก็ดีเนาะระวางลงไอ้ลูกศิษย์เห็นหลวงพ่อวางกาแฟไว้ คนสมัยนั้นก็ถือว่าการทานของหลวงครูคบ า, าจารย์เป็นสิริมงคลนะคูบ า, าจารย์หลวงพ่อดิโนทะถ้าไม่เ ก, เกอาจอใหญ่ชื่อดังของเจ้าอุดรก็เลยมาขอกาแฟถ้วยนั้น่ะทานบ้างหลวงพ่อก็อนุญาตทานไปได้คําจึงก็พ่นพวดไปเลยบอกเข็มร ป, ปีเนี่ยหลวงพ่อใช้ไม่ได้ไงเนี่ยหลวงพอ่อก็ยิ้มยิ้มบอกก็ดีเนาะฉันกาแฟหวานหวานมามากแล้วเนาะ ท่านมองอะไรก็ดีน้อหมดมีอยู่ครั้งหนึ่งโจนมืปนเาปนท่านโจนมันก็สื่อว่าแหละมันกอว่าท่านเน่เป็นเจ้าคุณแล้วก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยคงมีทรัพย์สมบัติมากคันได้โ อ, อกาสอหมันก็มาป้นมาถึงก็คมคู่เลยนี่คือการป้นยายขืนไม่งนั้นตายหลวงพ่อแทนที่จะกลัวหรือตกใจกับโจนกับยิ้มยิ้ม ท่านก็พูดว่าพนก็ดีเนาะโจรมันก็พูดคมคูอีกฮะพนจะดีเนาะได้ยังไงหลวงพ่อเขาพูดขึ้นว่าก็ดีเนาะข้าเนี่ยเบื่อเฝ้าสมบัติบ้านนี้มานานแล้วเองเนี่ยมาเอาไปข้าจะได้เลิกเฝ้าก็ดีเนาะโจรคมคูต่ออีกข้าเนี่ยไม่ได้แค่ปนนะต้องข้าด้วยก็าปิดปาก หลวงพ่อบอกฆ่าก็ดีเนาะโจรก็พูดอีกฆ่าจะดีเนาะได้ไงฆ่าเนี่ยเบื่อดูแลร่างกายสังขารที่เสื่อมโทรมมานานแล้วเองฆ่าๆ่าเนี่ยฆ่าจะได้ไม่ต้องมาดูแลร่างกายที่อายุมากแล้วเสื่อมโทรมจึงดีเนาะโจรได้ฟังอย่างงานนะั้นรู้สึกใจอ่อนจึงเปลี่ยนใจ บอกงั้นฆ่าไม่ฆ่าหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อบอกไม่ฆ่าก็ดีเนาะจนมก็งงเอ้ะฆ่าก็ดีเนาะไม่ฆ่าดีเนาะจะเอาไงหลวงพ่อก็พูดที่ว่าถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ต้องถูกตารวจตามจับเผลอต้องถูกตารวจฆ่าตายหรือติดคุกตายไปก้ตกระลอกหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเองไม่ฆ่าฆ่าเนี่ยจึงดีเนาะ โอโจได้คิดเลยวันนั้นก็เลยไม่ปล้นและไม่ฆ่ากับไปมือเปล่าอันที่อีิส ง, งการมองโลกในแง่ดีของท่านแต่เป็นคนสมัยนี้คงจะหาแบบหลวงพ่อดีเนาะย่างนะมีการฆ่ากันตายเพราะแย่งมือถือหรือห่วงทัสมบัติก็มีจนมีข่าวเนี่ยฆ่ากันเพราะห่วงไอโฟนเจ็หรืออื่นๆมากมายผู้หญิงบางคนก็สู้กับโจนนะโจมันกระตูกสร้อยไบยยอให้สร้อยไป จนโดนจนฆ่าก็มีเพราะการห่วงทรัพย์สินห่วงสินของทัา น, นการที่ทําบุญอย่างเดียวไม่พอจะต้องวางใจให้เป็นกับโลกธรรมด้วยแต่วางใจให้เป็นกับโลกธรรมมันก็ยังไม่พอมันก็ต้องรู้จักมีบุญสมพัติได้ดีด้ว ย, วยอยู่เรื่องหนึง่งมีผู้หญิงคนหนึง่งทํางานที่โร ง, งเช็ด ลงเชื่อสัตว์หรือลงแช่แข็งนี่แหละที่อเมริกานะงนั้นตอนเย็นระหว่างใกล้เลิก ง, งานเนี่ยเธอก็เข้าไปตรวจในห้องที่เก็บสินค้าตู้เย็นต่างๆเนี่ยเพิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยประตูห้องมันล็อกเลยออกไม่ได้ประตูห้องหนามากเธอก็ไม่รู้ทาไงร้อกตะโกนคนช่วยก็ไม่มีใครได้ยินเพราะประตูห้องแช่แข็งมันหนาเปิดก็เปิดไม่ได้อากาศก็หนาวมาก ชีวิตเธอแฝงอยู่กับความตายเพราะว่าตอนนั้นใกล้เวลาเลิกทำงานเนี่ยกว่าคนจะมาเปิดประตูก็ต้องกินเวลาแปดเก้าชั่วโมงซึ่งเกินวิสัยของเธอที่จะทนได้ต้องตายแน่นอนแต่พักใหญ่แหละก็มีคนมาเปิดประตูให้เธอคนคนนั้นเป็นรอปพ ร, ร, รอพพสามารถช่วยชีวิตเธอได้สร้างความตกตะลึงกับเธอมากเพราะว่าไม่คิดว่ารอพจะมาเปิดให้แล้ว ตามปกติแล้วรอพอคนนี้ไม่เคยมาเปิดประตูหรือไม่เคยมายุ่งกับงานด้านนี้เลยถึงถามว่าเพราะอะไรรอพอก็ตอบว่าเพราะคุณเน่ยใส่ใจผมตลอดเวลาสามห้าปีเนี่ยของการเป็นรอพอเนี่ยมีแต่คนผ่านไปผ่านมาไม่มีใครประทับายแต่คุณเนี่ยตอนเช้าคุณก็มาสวัสดีตอนเย็นกลับบ้าน ก็ลาก่อนพวกนี้เคยเจอกันวันแล้ววันเล่าจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของรพอพแต่บัด น, นี้เย็นแล้วเธอยังไม่ ไ, ไปกาาล่าวข่าลารพอพเลยก็เลยสงสัยเออเกิด อ, อะไรขึ้นก็เลยเรพอพก็เลยมาตามหาอันนี้ก็คืออธิสง์ที่ทําให้เธอเนี่ยรอดชีวิตนะเพราะความดีของเธอที่ว่าใส่ใจกับคนรอบข้างใส่ใจกับรบพอพ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีใครสนใจลอพอผ่านลงหรือคนเก็บพยะหรือพนักงานแล้วแต่ที่ว่าบางคนเนี่ยก็เห็นว่าต่าต้อยกว่าเราเนี่ยเราก็ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยบางคนก็ไม่อยากทักทายไม่อยากพูดหรือว่าคนก็บางคนก็ไม่สนใจเพิกเฉยอันเรื่องรุสสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะทักทายกันบ้างรู้จักกันไว้บางทีก็สามารถช่วยเหลือกันได้อยาหอบขัน อันนี้ทำให้เธอรอดชีวิตที่มาเล่าให้ฟังแลว้วเห็นว่ามีประโยชน์อยู่เพราะว่านอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมบางคนก็ตั้งใจจะบัตรหลุดพ้นเนี่ยโดยไม่สนใจใครเลยงานก็ไปสนใจเพื่อนก็ไปสนคนก็ไปสนแต่ส่วนมากมักจะไม่หลุดพ้นนะเพราะมันจะอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งโลกของความคิดส่วนตัวทําให้ยิ่งปฏิบัติยิ่งติดกับดักของมารยิ่งขึ้นนอกจากไม่หลุดพ้นแล้วยิ่งหนายิ่งขึ้นแต่คนเสียหูกเสียคนไปเพราคิดแบบนี้ กับคนที่จิตใจช่วยเหลือส่วนรวมถึงเวลาส่วนตัวก็ทําส่วนรวมก็ทํากับคนกับต้นไม้กับสิ่งของไม่ขัดแย้งในชีวิตเราก็มีความสุขในขณะที่ปัจจุบันไม่ขัดแยง้งคนรอบข้างเนี่ยก็ทําให้มีความสุขหมดแหละเพราะถ้าขัดแยง้งปุ๊บคนก็เหม็นขี้หน้าไปขอให้ช่วยทําอะไรเขาก็ไม่อยากช่วยเราทีทําให้เราปุงแต่งน้อยเนื้อต่ําใจก็ด้วยก็ได้ดังนั้นเราก็อย่ามองข้ามสิ่งเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้ อ่านมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกต่เวลาก็ได้แจกแจงอริสงฆ์ต่างให้พวกญาติโยมฟังแล้วก็ขอให้พวกญาติโยมหลวงพี่หลวงพ่อทุกคนเนี่ยมีความสุขความเจอทํายิ่งขึ้นไปเกิดอะไรที่ไม่ถูกใจขัดใจก็คิดถึงหลวงพ่อดีเน้อ ก, ก็ได้อาจจะช่วยได้อาจจะทําให้ไม่ทุกเรื่องอะไรก็ผ่านทุกเรื่องอากาศร้อนก็ผ่านสัตว์รบกวนก็ผ่านยุงมแมลงต่างๆอุปสรรค การปฏิบัติธรรมของเราก็น้อยลงสาธุเอวัง